พระเวาาีนศาลาทางพระทั้งนาควันนี้เท่าไหร่นาคยี่สิบเจ็ดพระขาวหนึ่ง 28, 30, เป็นยี่สิบแปดพระสามสิบเป็นห้าสิบแปดเหรอไม่ถึงหกสิบเนาะย่อนหน่อยหนึ่งนาคทั้งหมดที่จะมาบวชในวันที่สองบวชคราวนี้เป็นการบวชเป็นครั้งที่จเป็นครั้งที่สำคัญ เป็นครั้งที่สำคัญอย่างยิ่งคือเราบวชเพื่อเป็นการถวายพระราชกุศลในหลวงของพวกเราคือบวชวันที่หวันสมภพหรือวันประสูติวันเกิดของในหลวงวันที่หแต่พวกเราบวชวันที่สองเพื่อเป็นการถวายพระราชกุศลในหลวงจังหวัดอุดรทั้งท่านพิพากษาหัวหน้าศาล และก็สวนรัฐการทุกหน่วยเราทุกหมูทุกเราได้พร้อมกันที่จะจัดงานบวชเพื่อเป็นการถวายในหลวงปี น, นี้นาคที่รวมกันได้ก็ทั้งหมดมี26นาคแต่นาคของเราก็ถวายในหลวงอีกเหมือนกันอีกสองนาคคงจะเป็น28นาคที่จะบวชถวายในหลวง ถึงยังไงเวลาของเราจำกัดเวลาที่จะเตรียมการนี่น้อยมากถ้าว่าผู้ที่ความจำดีก็ไม่ถึงกับน้อยก็คิดว่าได้แต่ถ้าว่าผู้ที่ความจำไม่ค่อยดีเอสาหังการท่องบนสาธยายไม่ค่อยจำอันนั้นจะมีปัญหาแต่ถึงยังไงผู้ที่จะบวชต้องขยันเพิ่มขึ้นอีก เพราะว่าตัวเองความจําไม่ดีจะทําเหมือนหมู่ไม่ได้ต้องขยันต้องพยายามทุกสิ่งทุกอย่างไม่เหลือวิสัยถ้าเรามีความพยายามมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นจริงๆแต่ถ้าว่าพวกเราสักแต่ว่าทําไปท้อแท้อ่อนแอใจไม่สู้เสียอย่างเดียวมันเป็นเรื่องเหลือวิสัยทั้งนั้นแต่ถ้าว่าเรามีความตั้งใจมุ่งมั่นจริง เราจะทำให้ได้กฎอื่นเขาทำไมทำไดำ้เราทำไมทำไม่ได้เราต้องขยันขึ้นอีกแล้วก็ไม่เหลือวิสัยที่ผ่านๆมาเหมือนกับพวกเราท่านทั้งหลายที่บางคนที่มาบวชในวัดหลวงพ่อไม่ไม่รู้ว่ากี่รุ่นแต่บางหน้าก็รู้สึกว่าอ่อนอกอ่อนใจเพราะว่าตัวเองท่องสาธยายไม่ได้แต่ถ้าหากว่าพวกเรา มีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจจริงก็ไม่เหลือวิสัยอย่างที่หลวงพ่อได้เตือนได้กล่าวเอาไว้นี่แหละเพราะฉะนั้นขอให้หนากทุกคนวันนี้แหละเป็นวันที่พวกพระผีเลี้ยงก็ให้พยายามให้เข้มแข็งให้เข้มงวดให้แบ่งนาคเป็นชุดๆดนากไหนที่ได้นากไหนที่เรียนไม่ค่อยจะดีก็น่าจะฝึกตัวตั ว, ตวเอาไปฝึกซ้อมเป็นการพิเศษ ใครจะเอาไปฝึกแต่ถ้านากไหนที่ได้แล้วไเอาฝึกรวมแล้วก็คิดว่าจากนั้นก็คงจะดูอัตบริขานนาคตัวไหนร่างใหญ่ก็ ค, ควรจะใช้ผ้ากีวอนผืนใหญ่คือให้ให้ได้ขนาดบางครั้งให้ถูกกับขนาดไม่ใช่ว่าพอผ้าไตรออกมาแล้วก็เอาให้เอาให้เพียงเลียงไป พอถึงวันที่จะบวชจริงๆลุ่มล่ามไปหมดดูแลบอกยี่ห้อลูกพี่บอกยี่ห้อพระพี่เลี้ยงเว่าไม่เอาทานไม่ดูเพราะนั้นขอให้รอบคอบทุกอย่างที่พูดทางนี้ทางนั้นนะเราไม่ให้ใช้แบบความมักง่ายความไม่เอาทานความไม่เอาไหนเราไม่อยากจะเห็นพระพี่เลี้ยงหรือตลอดถึงนาหน้าค ก, กูเหมือนกัน ให้เข้มงวดกวดขันกับตนเองถ้าว่าตัวเองท่องไม่ได้ก็พยายามขยันขึ้นอย่างที่วาดที่ลุงพ่อได้บอกกล่าวเมื่อวานถ้าว่าเราท่องไม่ได้แล้วจะบวชได้ไหมมันก็ไม่ได้เหมือนกับเราจบป ร, ริญญาขเขาประกาศจบใครจบป ร, ริญญาตรีเป็นครูสอนได้แต่เราไม่จบป ร, ริญญานะแล้วจบมหกเลย ผมจะเป็นสมัครครูสมัครเป็นครูได้ไหมเขาก็คงจะไม่รับเพราะเหตุใดเพราะว่าตัวเองสอบไม่ได้ปริญญาตรีตัวเองสอบได้เพียงมหกเขาคงไม่รับนี้ก็เหมือนกันถ้าหากว่าพวกเราเรียนเอสาหังแล้วไม่ผ่านพระพี่เลี้ยงดูแล้วไม่ผ่านถ้าไม่ผ่านแล้วจะทำยังไงจะบวชได้ไหมก็ต้องบอกได้คำเดียวว่าบวชไม่ได้ เพราะสอบไม่ผ่านเรียนไม่ได้สอบไม่ผ่านก็ต้องเอาไว้ก่อนถ้าต่อไปภายภาคหน้าถ้ามีความจาเป็นมีมีความอยากจะบวชอยู่เอาจนได้แล้วก็ค่อยบวชวันนั้นนี่เราขอให้พวกหนากทั้งหลายฟังๆเอาไว้นะที่หลวงพ่อพูดเนี่ยคือมันเป็นตามกฎตามระเบียบตามกฎตามประเพณีที่ได้ยึด ถือกันมาไม่ใช่กฎของผู้ใดผู้หนึ่งไม่ใช่กฎของหลวงพ่อเพราะพระพุทธศาสนาไม่ใช่ของหลวงพ่อเป็นของพระพุทธทเจ้าเป็นของคณะสงฆ์ตั้งกฎเกณฑ์มาอย่างนี้เราก็ต้องเคารพกฎกติกากฎเกณฑ์ในการบวชนะแล้วก็พร้อมกันพระผี่เลี้ยงก็พยายามยัดเยียดกฎกติกาของวัดให้ฟังถ้าไปอยู่วัดอื่นฉันเวลาเท่าไหร่ ลงมาสลาเวลาเท่าไร่แล้วก็จัดอาสนะให้ตัวเองนั่งไม่ใช่ว่าลงมาใช้สายแล้วให้ครูบาอาจารย์จัดอาสนะให้ตัวเองนั่งถ้าหากว่าตัวเองลงมาแล้วไม่ได้ทําอะไรเลยไม่ใช่อย่างนั้นมาบวชมันต้องช่วยตนเองแล้วก็เวลาไหนเวลาฉันน้ําปานะเวลาไหนปัดกวาดเวลาไหนมาท่องเอสาหังเวลาไหนเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนา อันนี้พระพี่เลี้ยงก็ต้องสอนสอนแทรกเข้าไปเรื่อยๆจากนั้นก็สอนเมื่อบวชเข้ามาแล้วก่อนท่องให้ท่องคำขออนิสัยจากอาจารย์เพื่อไปวัดอื่นก็จะได้ขอนิสัยแล้วก็ต้องให้เรียนรู้เอาไว้อย่าลืมพอจะขอนิสัยแล้วอะไรเขาไม่รู้จักนยนิสัยคืออะไรทำพิธีอย่างไรอันนั้นก็ไม่ถูกต้องนะพระพี่เลี้ยงต้อง สอดแทรกในอนาคตสรุปแล้วก็คือมองให้ไกลหนึ่งสองสามควรจะทำอย่างไรพระที่บวชจากนั้นก็สอนวิธีการแสดงอาบัติให้ด้วยเพราะเหตุใดเพราะนาคได้จะบวชเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งก็จะต้องลงอุโบสดสองครั้งเราก็ต้องพยายามสอนวิธีแสดงอาบัติทำยังไงเอานั่งคุกเข่าอย่างนี้พระพี่เลี้ยงก็ทำพิธีให้ดู หันหน้าข้อหาการยังไงแล้วก็กล่าวยังไงจากนั้นก็เอาหน้าคือมาจับมาเป็นตัวอย่างทดลองดูนี่แหละวิธีการสอนให้รอบคอบให้ยาวให้มันจบเรื่องไม่ใช่ว่าสอนเพียงแต่ว่าบอกให้สอนแล้ ว, ลวก็สอนแล้ ว, ลวก็จบไม่ได้ม่ได้นะเป็นพระพี่เลี้ยงต้องมองให้ไกลๆกฎระเบียบของ พ, พุทธศาสนากฎระเบียบของพระใหม่ที่เข้ามาบวชแล้วควรทําอย่างไร ตลอดถึงการอยู่การฉันเมื่อฉันเสร็จแล้วทำยังไงเมื่อฉันเสร็จแล้วก็ต้องเก็บอาสนะไปไว้ทีเ่เวลาฉันจังหารเสร็จอย่าให้มมเมล็ดข้าวอย่าให้น้ำแกงอย่าให้ผักอย่าให้เศษอะไรตกของตกต่อหน้าก่อนที่จะลุกไปเราต้องเก็บซะก่อนเก็บเช็ดให้เรียบร้อย อ, อ, อาชนะของตนเองอันนี้คือพรบินยัย ไม่ฉันโปรยเมล็ดข้าวให้ตกลงในบาดหรือในที่นั้นๆถ้าว่าตกลงในที่นั้นๆขาดศิลข้อหนึ่งของพระปรับอวบทุกกฏของพระเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ต้องสอนในรายละเอียดเราจะไม่ฉันดังจับจับเราไม่ฉันดังสูดสูดเราจะไม่ฉันเลียมืออันนี้คือมารยาทเพราะนั้นเวลาเราลุกแลเราลุกอาจจะอาจจากอาสนะแล้วก็ดูที่นั่งของเรา เช็ดให้เรียบร้อยเก็บอะไรให้เรียบร้อยเสร็จกระถุนแล้วค่อยเก็บกานา้ําแล้วก็เก็บกระลำังเอาไปเท อ, อาหารเศษไว้ที่ไหนเทข้างล่างพอเทเสร็จแล้วก็เอาไปล้างให้สะอาดจําเอาไว้ว่านี่ของตัวของตัวเองกระลำังใบไหนไงกาน้ําใบไหนเชื้อเอาขึ้นมาปูอีกวันลุกขึ้นนี่แหละอันนี้คือการอยู่ด้วยการการอยู่ร่วมกัน ต้องมีกฎ ก, ฎกติกาต้องมีกฎระเบียบไม่ใช่ว่าดูไปไม่ดูแลความสะอาดเรียบร้อยไม่ได้ตลอดถึงการจะเข้าใช้ห้องน้ำํำทุกคนใช้ห้องน้ําเมื่อใช้เสร็จแล้วต้องรักษาความสะอาดต้องปัดกวาดต้องล้างซะก่อนจึงออกจากห้องน้ําไม่ใช่ว่าใช้ห้องน้ําเสร็จแล้วก็กระโดดออกมา ใ, ใส่รองเท้าเข้ า, ขาไปดิ่งเต็มไปหมดอ ไม่ล้างไม่ทำความสะอาดอันนั้นไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องของพระไม่ใช่เรื่องของวัดวัดต้องทำความสะอาดสะอาดกายสะอาดวายจาสะอาดใจสะอาดกายก็คืออะไรนี่แหละไปอยู่ทสถานที่ใดอาบน้ำชาระกายให้สะอาดจะให้มีกลิ่นผ่านหูห่มเอาชักฟอกให้สะอาดการเป็นอยู่ที่หลับที่นอนสะอาดเข่าห้องน้ามองท้าสะอาด ดูสลงสฉลาปฏกวัติทำความสะอาดนี่แหละสะอาดกายสะอาดวิาจาก็คือระวังในการพูดสิ่งไหนที่มันจะกระทบกระแทกครูบาอาจารย์หมู่พวกเพื่อนก็ให้ระวังพูดแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ถ้าสิ่งที่มันไม่เป็นประโยชน์อย่าพูดแล้วจะก่อการทะเลาะวิวาทกันได้ง่ายบางทีอาจจะเข้าใจผิดกันได้ง่ายเพราะนั้นต้องระวังคาพูดนะว่า วาจาสะอาดนียใจสะอาดนั้นก็ต้องภาวนาแหละท่านนี่ทจิตใจยังไงจึงจะสะอาดเนียอันนั้นต้องใช้เวลานานแต่ทางว่าผู้มีบุญบารมีบุญหนักสักใจสะสมมาตั้งแต่อัดิตชาติแล้วก็ไม่ยากเพราะเหตุอะไรเพราะมีบารมีเก่าบําเพ็ญไม่นานก็ได้สําเร็จใจก็สะอาดได้ง่ายนี่แหละอันนี้ก็คือการเป็นอยู่แต่ถึงยังไงก็เถอะนะเพียงแต่ว่า กายว่าจะให้สะอาดพวกเราก็อยู่ด้วยกันด้วยความร่มเย็นเป็นสุขแล้วแต่ถ้าว่าเราพวกเราท่านทั้งหลายไม่สํารวมต่างคนก็ต่างใช้ตามอำเภอใจตามอัธายใจตามความรู้สึกของตนเองถ้าเป็นอย่างนั้นพวกเราอยู่ด้วยกันมากน้อยก็มีแต่เรื่องราวหาความร่มเย็นผาสุขไปได้เพราะน้ำมาอยู่วัด ให้สมรวมกายวายจาให้เรียบร้อยให้เป็นผู้มีศินพูดง่ายๆมองกันในแง่เหตุผลอย่ามองกันในแง่แงร้ายพระพี่เลี้ยงก็พยายามสอนนาคพอยังไม่รู้กฎระเบียบเราก็ต้องค่อยบอกค่อยสอนนาค ก, ก็เหมือนกันที่เข้ามาแล้วก็เรามาต่างสถานที่เราไม่รู้ว่าจะรู้ทุกอย่างไม่ใช่ใกฎระเบียบอย่างนี้พระก็ต้องสอนพระพี่เลี้ยงต้องสอน ดื่มน้ำยังไงน้ำปานาดื่มยังไงให้ตั้งเป็นแถวเป็นวงยังไงเวลาดื่มจะไปคุยกันพระพ่เลี่ยงก็ต้องบอกพุกทุกคนเข้ามาก็ต้องอยู่ในกฎระเบียบเหมือนเราไปต่างประเทศอย่างนั้นเราไปประเทศมา เ, เลเซียเราก็ต้องอยู่ในกฎระเบียบของมาเลเซียเราไปซาอุเราก็ต้องอยู่ในกฎของซาอุถ้าเราไปอเมริกาอังกฤษเราก็ต้องอยู่ในกฎเขา อันนี้เราเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาเราต้องมาอยู่ในกฎระเบียบทำคำสอนของพระพุทธเจ้าเราต้องเข้ามาอยู่ในกฎของหลักพระธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้แต่ถ้าเราไม่อยากจะอยู่ในกฎนี้ก็ไม่มีใครบังคับเราเราก็ไม่ต้องเข้ามาบวชเนี่ทีเมื่อเราเข้ามาบวชแล้วเราก็ต้องอยู่ใน ก, กฎกติกาฉันยังไงฉันมือเดียวฉันในกระลมังฉันในบาศ นอนคนเดียวท่องบนสัทธริยาอย่างไงสํารวมกายวาจาใจอย่างไรงนี่แหละเป็นหน้าที่ของเราผู้เข้ามาศึกษาผู้เข้ามาศึกษาก็ต้องมาอยู่ในกฎในระเบียบในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพอเข้ามาบวชแล้วพระพุทธเจ้าท่านปลอดตัดเอาไว้ท่านรับรองเอาไว้ว่าสากยบุตรสากยบุตรพุทธชินนรสคือเป็นลูกของเรา เป็นลูกของพระพุทธเจ้าถ้าใครปฏิบัติตามหลักธรรมคําสอนให้ถูกต้องจากนั้นกน็เราก็พยายามรักษาศีลภาวนาไปเรื่อยทีนี้นั่นแหละถ้าเป็นพระใหม่เป็นพระเก่าไปแล้วเนี่ยอยู่ด้วยความพัฒสุขเลยทีนี้ไม่มีอะไรที่จะสุขยิ่งกว่าการเป็นพระไม่มีเรื่องไม่มีราวสํารวมใจของตนเองอีกใจที่ไหนจะมันจะคิดก็จะไปคิดมันทีในสิ่งที่มันจะเดือดร้อนนะ อยู่คนเดียวให้ระวังความคิดอยู่กับมิตรให้ระวังวาจาท่องเอาไว้นะถ้าว่าจิตใจของเราปุ้งฟุ้งซ่านเออจใจมันฟุ้งซ่านท่านบอกว่าให้ระวังความคิดนะแล้วมันคิดมันฟุ้งซ่านมันไม่เอาฐานมันไม่เอาไหนทำให้ตนเองเดือดร้อนนั่นเนี่ยนี่นะต้องพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทพโธอย่าให้มันคิดนะเดี๋ยวต่อไปกัจิตใจรวมเข้าสู่ความสงบนิ่งนั่นละ พวกเราอยู่ในสถานที่ใดอยู่เย็นเป็นสุกมดทีที่ใจมันไม่ปุงไม่ฟุง้งไม่ซ่านจิตใจมีเหตุมีผลแล้วใจมีพุโทโธในใจแล้วก้าวกับพุโทโธเดินกับพุโทโธนั่งกับพุโทโธเไปที่ไหนๆปัดกวาดก็อยู่กับพุโทโธพุโทโธอยู่ในจิตในใจพวกลูกหลานทั้งหลายก็จะได้รับความสงบนัตถิสันติปรังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้อย่างนั้น เพราะนั้นขอให้หนาคลูกนาคหลานทางหลายเนอแล้วก็พระลูกพระหลานที่เป็นพระพี่เลี้ยงของนาคก็ช่วยๆกันดูไม่ใช่ว่าหน้าที่ของคนนั้นไม่ใช่หน้าที่ของคนนี้นะพวกท่านทางหลายควรจะไปชมกันแบ่งกันแบ่งนาคกันจากนั้นก็แบ่งหน้าที่กันอย่าให้ขาดตกบกพ่องเพราะเวลาของพวกเราอย่างน้อยน้อยมากวันที่สองเองแล้วก็วันที่สอง ก็คงจะไปบวชที่วัดโพธิสมพรพรนี้เป็นนาคหลวงเป็นนาคถวายพระราจุโกศลก็คงมีตามีขั้นตอนมีประวัติทั้งไว้ทั้งหมดเมื่อาวานนะ่ยประวัติก็เป็นแฟ้มใหญ่บเบลเบล่าเลย เ, เป็นประวัติของนาคที่จะบวชในคราวนี้จากนั้นก็คงจะเป็นเกียรติประวัติของนาคแต่ละคนอีกต่างหากที่ได้บวชเข้ามาแล้วเป็นการถวาย เพระราะกุศลในหลวงในครั้งหนึ่งในปีพศที่เท่านั้นอันนี้เป็นเกียรติประวัติของนาคอีกต่างหากเพราะนั้นขณะที่บวชเข้ามาเนี่ยอย่าให้ประวัติตัวเองเสียอย่าทาตัวเองให้เสียหายถ้าว่าบวชเข้ามาแล้วทําประวัติให้เสียหายนมันไม่ใช่เกียรติประวัตินะประวัติถ้าทําอย่างนั้นไปนว่าทำให้เสียหายอต่อตัวเอง แล้วจะถวายพระราชกุศลได้ยังไงเพราะตัวเองก็เสียหายหมดแล้วเพราะนั้นขอให้นาคทั้งหลายนะบวชขาวนี้มีความหมายอยางยิ่งว่างั้นเถอะทางส่วนราชการทุกหน่วยทุกเราให้เกียรติเราอย่างมากทางหาที่ไหนได้พิพากษาหัวหน้าศาลจะมาลงมาเกี่ยวข้องตลอดถึงท่านผู้ว่าหัวหน้าส่วนราชการให้เกียรติพวกเรา พวกเราเป็นผู้บวชเป็นผู้บวชแทนพวกท่านเหล่านั้นพวกท่านเหล่านั้นก็เนะนี่ยแนะแนวส่งเสริมแต่ตามปกตินะจะให้พวกท่านเหล่านั้นลงมาช่วยร่อมมันไม่มีทางเหมือนนแต่คราวนี้เขาทุกคนน้อมจิตอุทิศน้อมจิตเป็นการถวายพระราชกุศลในหลวงเพราะในหลวงอายุท่านก้นะ่ยแปดสิบสามพันศรแล้วปีหน้าเลยก็ แปดสี่ต้องกรสิบสองสิบสองเจ็ดสิบสองห้าหกสิบสิบสองหกเจ็ดสิบสองสิบสองเจ็ดแปดสิบสี่เจ็ดรอบในหลวงของเราทําคุณประโยชน์ให้แกบ้านเมืองแก่ประเทศชาติโครงการพระราชดําริเท่าไหร่พวกเราคิดดูสิทางเดือดร้อนที่ไหนกันในหลวงเป็นผู้ออกแนวความคิดนียทําแก้มดึงสิน้ําจะไม่ท่วม ได้ประโยชน์มามากต่อมากแล้วแนวพระราชดำริของในหลวงพวกเรามีพ่อมีแม่พ่อแม่ที่สายตายาวมีคุณภาพมีคุณธรรมมีศีลธรรมมีจริยธรรมลูกๆทั้งหลายกน็นับว่าเป็นผู้โชคดีนะแต่ถ้าว่าพ่อแม่กินเหล้าเมายาสมมาเลเทเม า, าเอาแต่ใจตัวเองลูกๆเดือดร้อ น, นวุ่วายอันนี้พวกเราได้พ่อดีนะ ในหลวงท่านมีคุ ณ, ณธรรมปกครองประเทศชาติมาเท่าไหร่ร่มเย็นเป็นสุขมากมายอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นนะคราวนี้เราก็ทำมาบวชนะครับเพื่อเป็นการถวายเป็นพระราชกุศล ส, สำหรับหลวงพ่อเองทางจังหวัดบอกให้หลวงพ่อเป็นพาระในการจัดอัฐบริขารหลวงพ่อรับเลยได้มีปัญหาเรือยหลวงพ่อจะจัด พระหลวงพ่อเคยจัดมาแล้วเพียงอั ด, อดทา บ, บริขารเพียงเท่านี้ไม่มีปัญหาหลวงพ่อก็รับหน้าที่เหมือนกันถึงจะหนักหนาอย่างไ็คือในหลวงเราเสียสละเพื่อในหลวงขอให้พระลูกพระหลานเหมือนกันพระน้องพระนุ่งทางหลายลูกศิษย์ลูกหาทางหลายทำให้คิดให้ไกลๆอย่าไปคิดใกล้ทาเพื่อประเทศชาติทาเพื่อ ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ถ้าสามสถาบันยืนยงมั่นคงแล้วประเทศชาติก็อยู่เย็นเป็นสุขน ะ, ะต่อนนี้ไปรับพรอนุโมทนาให้พร